ความเป็นมาของพรหมลิขิตถามคำว่าพรหมลิขิตมีความเป็นมาอย่างไรตอบตามตำนานนะครับมีพระพรหมซึ่งเป็นเทพผู้ทรงฌานท่านหนึ่งอายุยืนยาวจนลืมความเป็นมาของตัวเองเห็นแต่ความเกิดดับของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย แต่ไม่เห็นความเกิดดับของตนเองก็เกิดความหลงเข้าใจว่าตนเป็นผู้สร้างโลกสร้างสวรรค์สร้างจักรวาลแล้วความเชื่อนี้พลอยตกทอดลงมาถึงมนุษย์ผ่านเทวดาผ่านร่างทรงผ่านการเข้าฝันจนกระทั่งผ่านมนุษย์รุ่นต่อรุ่นหาที่มาชัดเจนไม่เจอ เมื่อเชื่อสะลว่าพระพรมเป็นผู้สร้างดังนั้นชะตากรรมทั้งหมดก็ต้องมีพระพรมเป็นผู้ลิขิตแต่ถามว่าทำไมพระพรมมีเวลาลิขิตมากนักสัตว์เป็นหมื่นล้านแสนล้านขนาดนี้ก็จะไม่พบคำตอบคำตอบสุดท้ายคือพระพรมเป็นผู้ลิขิตหาทางพิสูจน์หรือหาคำอธิบายให้ยิ่งไปกว่านี้ไม่ได้ จุดและที่สำคัญคือเมื่อเชื่อว่าพระพรมเป็นผู้ลิขิตซะแล้วก็แปลว่าเราไม่มีทางแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนอะไรอะไรให้ดีขึ้นเลยทุกอย่างถูกกำหนดไว้เรียบร้อยตั้งแต่เกิดจนตายแบบเดียวกับเราเป็นนกหนูในกรงทดลองที่คนอยากกำหนดให้มีอันเป็นไปอย่างไรก็ได้ไม่มีทางหือ แต่ถ้าเราเชื่อตามหลักพุทธศาสนาที่ว่าตัวเราเองลิขิตตัวเองด้วยกรรมใครทำกรรมอันใดไว้ยอมเป็นทายาทของกรรมนั้นๆอันนี้พอหาทางพิสูจน์และอธิบายกันได้เช่นว่าถ้าเราดวงไม่ดีเจอแต่คนรักเร็วๆก็แปลว่ากรรมเก่าเราทำให้คนอื่นมีสตากรรมไม่ดีแล้วเราก็อาจจะเคยเลวกับคนรักในปางก่อน วิธีพิสูจน์นั้นก็ยืนพื้นอยู่บนสมมติฐานที่ว่าถ้าเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นด้วยกรรมดำเราก็ต้องสร้างเรื่องดีมาสู้ได้ด้วยกรรมขาวอันเป็นคั่วรตรงข้ามเช่นกันเช่นเมื่อมันสร้างสตากรรมดีๆให้ผู้ด้อยโอกาสมันให้อภัยไม่อาฆาตคนร้ายกับคุณกัดฟันทำแต่กรรมขาวจนกระทั่งความดีงามตั้งมั่นในคุณ หากเรื่องของกรรมวิบากมีจริงชะตากรรมของคุณก็ต้องดีขึ้นภายในชาตินี้กรรมย่อมไม่ปล่อยให้คุณต้องมัวน้อยใจวาสนาไม่ปล่อยให้รอถึงชาติหน้าเหมือนอย่างพรหมลิขิตอย่างแน่นอนและเท่าที่พบกันมานักต่อนักทันทีที่คนเราเริ่มเชื่อว่ากรรมเป็นตัวลิขิตชะตาเนี่ยนะครับ ทุกอย่างเริ่มดีขึ้นทันทีอย่างน้อยเรามีเหตุผลอธิบายตัวเองว่าทําไมต้องเป็นเราและเจออะไรอย่างที่เคยเจอจิตที่มีศรัทธาแบบพุทธจะคล้อยไปในเส้นทางของเหตุผลและปัญญาซึ่งทําให้เกิดความสว่างความอบอุ่นและความไม่หลงงมงายด้วยความเชื่อสืบๆกันมาครับ